นี่เพื่อที่เราจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราทำเพราะเราพูดในสิ่งที่เราทำและทําในสิ่งที่เราฟังและฟังในสิ่งที่เราทําด้วยนะเพราะว่าในวิธีการบทเรียนนั้นเราจะเน้นการทําให้เห็นของจริงเสียก่อนเราเคยพูดถึงสิ่งนั้น แต่ถ้าหากมันยังไม่เกิดของจริงเราพูดถึงเนี่ยมันก็บางทีก็เป็นเรื่องเลื่อนลอยถึงงี้จะเป็นความจริงก็กตามแต่ว่าเรายังมองไม่ตัวเราเองยังมองไม่เห็นนะความจริงที่ว่า น, นคืออะไรนนั้นเองตอนนี้เราก็ได้ศึกษากาำรำรมธรามําดับว่าในเราทุกคนเนี่ยมีแก่นสารสาระภายในทุกคน แก่สารสาระที่เป็นมนุษย์ก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวหรือใช้คําว่าสติสัมป र ดีที่ปกติถ้าหากว่าคนไหนที่มีสติสัมปชัญญะผิดปกติหรือต่ากว่าเกณฑ์ก็ถือว่าผิดปกติไปต่ำเกณฑ์มากบางน้อยบ้างเพราะว่าความเป็นมนุษย์จะมีพุทธภาวะ หรือโพธิปัญญาฝังอยู่ในใจทุกคนไม่มียกเว้นนะไม่ว่าศาสนาใดมนุษย์ชาติไหนก็ตามมีทุกคนส่วนเราจะนำเอาพุทธภาวะหรือโพธิปัญญานี้ขึ้นมาพัฒนาสมบูรณ์หรือไม่นี่ก็ขึ้นอยู่กับหเหตุปัจจัยโดยเฉพาะชาวพุทธของเรานี้เป็นผู้มีโอกาสมากที่จะนำเอา พุทธภาวะหรือโพธิปัญญามาพัฒนาให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ให้แนวทางเอาไว้เราก็ทำตามทีนี้วันนี้ที่เราสวดไปเมื่อกี้ในเรื่องของจิตนะคำว่าจิตจิตนี้นะกรอกกลับได้ไวเพราะเทียนกล่าวดุดมีลานไขในตนเราท่านทุกคนควรจะบังคับกลหมุน ให้จิตมาแต่ทางข้างดีแต่ถ้าจิตหมุนไปในทางข้างกีทาที่มีก็จะหนีจากนายหายศูญธรรมก็ครอบงำความระยำสมบูรณ์ก็ปิ่นปลอกห ล, ลอกตนหมายวว่าถ้าเราจิตของเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงกับกอกได้ไวเหมือนดินกับน้ำ ดินเป็นลักษณะคงที่มั่นคงเพราะกายของเราีมันมาจากธาตุส่นะจากธาตุสีและเมื่อธาตุสี่ผสมประสานกันในอัตตาส่วนที่โพดุบุรีก็เกิดอีกสองธาตุนัวว่นธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็กลายเป็นธาตุหนะันั้นในธาตุทั้งหเนี่ยออก พอสมรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นคุณลักษณะของชีวิตก็คือรูปกับนามกายกับใจนนในธาตุทั้งสี่หรือธาตุทั้งหเนี่ยส่วนหนึ่งคือเป็นรูปส่วนหนึ่งคือเป็นนามนะส่วนที่เป็นรูปก็ดินน้ําลมไฟแล้วมันมีธาตุอันหนึ่งที่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นธาตุอ่ รูปหรือน้ําก็คืออากาศสะทัดระหว่างทัดลมกับอากาศสะทัดแต่ในตัวถ้าดินน้ําลมไฟเพราะฉะนั้นคำว่าอากาศสาทัในที่นั้นหมายถึงช่องว่างในร่างกายแต่ถ้าหากว่าทาัดลมท่านหมายถึงลมที่หายใจเข้าออกหรือพัดเป็นลักษณะตัวลมแต่ว่าอากาศสะทัดที่ติดกับวิญ ญ, ญาณทตดท่านหมายถึงช่องว่าง ในต่างๆของร่างกายจุดเล็กจุดน้อยก็ให้เกิดตัววิญญาณธาตุขึ้นมาดังนั้นธาตุทั้งห้าเป็นรูปแล้วธาตุที่หคือเป็นน้มทั้งธาตุทั้งห้าเนี่ยสันสมกันพอดีพดีก็ออกมาเป็นธาตุวิญญาณธาตุเป็นลักษณะวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุรวมของธาตุลมกับธาตุน้าที่มันไหลลื่นเป็นเป็นพลังงาน ดัง น, นั้นเวลาเราจะผลิตพลังงานเนี่ยเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟพลังงานาน้ำํำในตัวจิตของเราก็เป็นการผสมผสานก็ระวังธาตุลมธาตุไฟและธาตุน้ำนั่นเองเราบอกจะน้ําหัวใจเย็นเหมือนน้ำหัวใจร้อนเหมือนไฟเรจะเปรียบแล้วก็บอกว่าใจเย็นเหมือนน้ำใจร้อนเหมือนไฟผ อ, อันนี้ลมไม่ดีอารมณ์ไม่ดีลักษณะ ทั้งสาอย่างเรามาใช้กันเสมอเพราะฉะนั้นจิตของเรามันก็กลับกรอกได้ไวเหมือนธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเปลี่ยนไปเป็นมาตลอดเวลานะมันก็กลายเป็นพลังงานเวลาเขาจะทําพลังงานพลังงานที่เกิดจากน้ําพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากลมพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากไฟไม่มีใครเอาดินไปทําพลังงานนะแล้วนั้นเอง เวลาเรามาปฏิบัติเราก็จะต้องรู้หลักอันนี้ก่อนใน3ามสี่ห้าวันนี้เราเรียนหลักของธาตุในส่วนที่เป็นรูปเป็นส่วนใหญ่เป็นรูปกับนามที่มาแต่ว่ายังไม่ได้เรียนรู้ถึงเรื่องจิตในระดับละเอียดนะโดยเฉพาะเราเน้นในเรื่องเวทนาทั้งนี้เพราะว่าเวทนามันถูกเชื่อมต่อระหว่างกายกับจิตเข้าด้วยกันเราก็พูดถึงตัวเวทนามากหน่อย พอตัวเชื่อมนี้สําคัญพอ ใ, ใจหลักเชื่อมมันแล้วทีนี้เราก็มาใจว่าเชื่อมมาสู่มันเป็นจิตได้อย่างไรนะที่เราสวดตอนเช้าว่าเมื่อเรารู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกข์ก็ให้ให้รู้แต่วันนี้พอตอนเย็นนั่งบอกว่าสราครังว่าจิตตังสราครังจิตตันติปตัจจานติเมื่อจิตมีความอยากความใคร่ความ รักความโลภก็ให้รู้ว่าจิตมีความอยากความไข่ความรักความโลภเพื่ใช้คำว่าราคัราสราคังเพราะจิตของเรานั้นมันเป็นภาวะทั้งมีความอยากและไม่มีความอยากในช่วงไหนที่ไม่มีความอยากว่างจากความอยากขรรวีตราคังวาจิตตังวีตราคังจิตตันติปชาณติทีนี้ในช่วงที่เรามีความอยากความ รักความชอบอะไรทั้งนี้เรีวยกว่าราคะความใคร่ความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้เนี่ยถือเป็นราคาหมดราคาหมดบางครั้งมันก็ลืมต่อความอยากเหล่านี้เหมือนกันจิตเฉยเฉยไม่มีอยากไม่มีความอยากได้อยากมีอะไรไม่มีความเทยทะยานไม่มีความใคร่ ได้มีอะไรต่างเฉยๆมีใช่ไหมบางครั้ง<ไ>ภาวะที่จิตมีความอยากกับภาวะที่จิตไม่มีความอยากเนี่ยอันไหนรู้ง่ายอันไหนรู้ยากระหว่างจิตที่มีความอยากกับจิตไม่มีความอยากอันไหนเข้าใจยากอันไหนเข้าใจง่ายจิตมีความอยากมันจะเห็นชัดกว่าใช่ไหมว่ามันอยาก แต่ถ้าจิตไม่มีความอยากนี่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเพราะมันไม่ค่อยถึงมีเราก็ไม่คุ้นใช่ไหมเราไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่จิตที่ไม่อยากแต่ตลอดเวลานั่งไงคือแทบจะตลอดเวลามันอยากโน่นอยากนี่นั่งเวลานานก็อยากอะไรอยากลุกอยากพลิกนั่งเวลานานก็อยากเดินนั่งที่นี่นานก็อยากไปที่นุ่นกินข้าวนี้ไม่อร่อยก็อยากกินนั้นันมันแทบตลอดเวลา หาเรื os, ่องที่อยากแต่เราความอยากไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เสียหายตรงที่ว่าเราไม่รู้จักมันใช่ไหมเราไฟในบ้านเนี่ยมันมีอยู่มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ที่เสียหายคือเราไม่รู้จักไฟเพราะไฟอาจจะไหม้บ้านไฟอาจจะช็อตเราตายมันเสียหายตรงนั้นเพราะเราไม่รู้จักมันแต่ถ้ารู้จักมันดีเราก็ใช้ประโยชน์จากมันให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นให้ความเย็นนะ ไฟก็ให้ความเย็นได้ด้วยถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีความเย็นนะงั้นก็เลยว่าที่นี้เราจะรู้ได้ยงไงว่าจิตของเราในขณะนี้มันเป็นอย่างไรรู้จกักได้จากที่ไหนจิตของเรามีหรือไม่มีลักษณะของการมีจิตเป็นอย่างไรลักษณะที่ไม่มีจิตเป็นอย่างไรนี่ตัวเนี้ที่เราเคลื่อนเราไหวได้นี่ เป็นหน้าที่ของอะไรเป็นอาการของอะไรจิตแต่ทำหน้าที่ในฐานะเป็นธาตุลมที่เคลื่อนไหวได้ในธาตุลมนะแต่จิตทำหน้าที่ของธาตุลมนะบางครั้งก็รู้สึกร้อนบางครั้งรู้สึกหนาวจิตทำหน้าที่ของธาตุอะไรธนะาตุไฟธาตุน้ำธนะาตุลมธาตุไฟ อันน้ำนี่ยมัจะมีสิ่งเหล่านี้บางครั้งร่างกายก็เฉยเฉยจิตก็เฉยเฉยไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรจิตทําหน้าที่เป็นธาตุอะไรเป็นอากา ศ, ากาศาธาตุว่างๆอะรก็แล้จิตว่างจิตว่างนั้นเราก็มันจะมีอาการเหล่าเนี้ยทีนี้เวลาเรามองอะไรเราก็เห็นตาเห็นนู่นเห็นนี่ จิตทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่แสงสว่างรู้ไฟก็ทําทให้ตาเราเห็นวิ่งรถเราไฟไม่มีเปิดตารถหน่อยเปิดไฟรถหน่อยเห็นไหมก็จะเห็นรถมันก็มีตานี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าจิตทําหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นจิตจึงมีหลายประเภทอย่างที่กล่าวจิตทําหน้าที่ตทางตาก็เรียกว่า จักกุวิญญาณถ้าจิตหน้าที่ทําทางที่ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณจิตหน้าที่ทางจมูกเราคานนะวิญญาณจิตหน้าที่ทําหน้าที่ทางลิ้นก็เราชิวหาวิญญาณจิตหน้าที่ทางกายก็กายจวิญญาณจิตหน้าที่ทางจิตเองก็เรียกว่าเป็นมโนวิญญาณเห็นไหมมันก็จะมีชื่อเขึ้นม่ก็คือจิตนั่นเองคือจิต ทีนี้เมื่อเรามีจิตอย่างนี้แล้วนี่เราจะจัดการว่าเออต้องดูจิตนะต้องพัฒนาจิตนะไม่เคยมีพูดถึงเรื่องดูกายพัฒนากายเท่าไหร่นะนะต้องพัฒนาจิตต้องอบรมจิตนะแต่ในนั้นท่านบอกให้อุปกายอรมศีลอรมจิตอุปโปัญญารมกายรมจิตอุปโภคศีลอุปโปัญญาท่านให้อรปโภีอย่างอุปโกายนะ แต่ควจริงแล้วทั้งหมดไม่ว่าศีลไม่ว่ากายไม่ว่าปัญญาเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตทั้งหมดใช่ไหมถ้าโอบลมจิตอย่างเดียวก็กายก็ถูกโอบลมศีลก็ถูกโอบลมปัญญาก็ถูกโอบลมดังนั้นเองพระพุทธเจ้าทัางจริงตรัสไว้ดับแรกว่ามโนภูพังขมาธรรมามโนเสถามโนมยามาราซาปุถุเทนาพาสติวากาโรติวา ต่โตนังทุกขมโนเวติจั ก, กังว่าว่ตุประทังว่ามนุปุพังเข้ามาทำ ม, มาบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดในโลกเนี่ยจิตเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่แต่ท่านไม่ใช้คําว่าจิตท่านใช้คำว่ามโนมโนกับจิตนี่ต่างกันยังไงมรณะกับจิตนี่ต่างกันยังไงพอคำว่าใชา้กับผีนมีหลายคํำวิญญาณก็เรียกมโนก็เรียกจิตก็เรียกใจก็เรียกแล้วเรียกอะไรได้อีก นี่เราเราเรียกว่าใจเรียกว่าขันห้าก็เรียกอันนั้นตามหน้าที่ของมันเช่นไฟทําหน้าที่ไปอยู่ในกระบอกเล็กๆเรียกว่าไฟอะไรไฟฉายทําหน้าที่ในเตาเขาเรียกว่าอะไรไฟหุงต้มทําหน้าที่หน้ารถก็ะเราะไฟรถไปตามก็คือแสงสว่างนั่นเองจิตทําหน้าที่ในที่ต่างๆ เกิดตัวรู้จิตสภาวะคือตัวรู้นั่นเองถ้าที่ไหนมีแสงสว่างล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าที่ไหนไม่มีแสงสว่างเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันเพราะนั้นจิตเราถ้ามันทำหน้าที่ก็ทำให้เป็นหน้าที่ตัวรู้ทีนี้ในรู้เนี่ยมีสองรู้รู้กายกับรู้ใจใจนี่เราเรียกว่าจะมโน มโนหรือใจจิตจึงหนาทำหน้าที่เป็นตัวรู้รู้กายก็เห็นชัดแต่รู้ใจรู้ยังไง ร, รู้ใจรู้ยังไงแต่รู้รู้กายในโฟนึกออกใช่ไหมผมรู้ใจคุณดีหน้าคุณกำลังคิดอะไรรู้จริงไหมไม่จริงแต่คนวันรู้ แต่ผมรู้ตัวเองดีคุณไม่ต้องบอกหรอกผมรู้จากตัวเองดีเาจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความจริงรู้ั้ยไม่รู้หรอกนี่เป็นคำพูดนะเออดังนั้นจิตของเราเนี่ยท่านานบอกว่าอย่างนี้นะมีอาจารย์คนหนึ่งสมัยครับพุทธกาล เวลาไปหาพระพุทธเจ้าแต่อาจารยอนี่เก่งเนีเรียนก็ได้ บ, บิดกจําได้หมดสอนทุกสิ่งทุกอามีลูกสิ่งทุกอาเยอะเป็นพระอริยบุคคลไปก็เยอะท่านสอนแต่เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ไรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเรียกชื่อว่าตุจฉาโพธิละไปได้มาตุชโฉโพธิละเวลาจะกลับว่าไปไงตุจฉาโพธิละจะกลับเร็เหอเพราะตุชโฉโพธิละแปลว่าอะไร แปลว่าคัมภีร์เปล่าค <c oughs> ือหมายความว่ า, เ, าปเป็นคัมภี์มีหนังสืออ่ะเป็นกระดาษเปล่าเอ๊ะทำไมพรุทธเจ้ามาทักเราแบบนี้ก็ติดอารมณ์ใช่ไหมเราก็รู้จักรู้จักสอนรู้จักการเทศการสอนคนคําสอนพุทธเจ้ลลามีเท่าไหร่เราจำได้หมดเีว่าจำพระได้บิก๊กกอะแต่ทําไมพรุทธเจ้ามาเรียกว่าเราไม่มีอะไรเปล่า ก็ละอายตัวเองละอายตัวเองก็เล ย, เยต้องไปเรียนกรรมฐานอย่างจริงจังแล้วแบบนีนะ้กรรมฐานคือเขาที่ทีแ่แล้วมาเรียนเหมือนกันแต่ว่าเรียนพอรู้ไปสอนคนอื่นแต่ยังไม่รู้จักตัวเองร้อยเปอรนท์พระพุทธเจ้าท่านท่านพูดอย่างเพื่อที่ให้สติว่าท่านยังไม่ไปถึงไหนนะถ้าเราจะมองนั้นคุโธพระพุทธท่านยังไม่ไปถึงไหนนะเนีย่ยอันตรายอยู่ ไปเรียนให้มันจบทุกน้องนะแต่พุทธเจ้าไม่ได้แตด้วยตรงพูดว่าตูโชพุทธิละอีก็เจีบพอสมควรแล้วกันคำพี่เปล่าทีนี้ก็เลยตูโชพุทธละดังก็เลยไปหาพระไปเรียนกับประธานพระที่เข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหาันตซึ่งก็รู้สิกของตัวเองนั่นแหละที่เคยสอนมาแต่ท่านปฏิบัติไปก่อนแลท่านตั้งใจจริงพออาจารย์สอนเขาก็ทําเต็มที่ก็ได้บรรลุธรรม ท, ทีนี้ ในฐานะอาจารย์ไปหาแล้วให้ขอร้องให้ตัวเองสอนฮนะั่นโวไม่กล้าสอนอาจารย์ เ, เป็นอาจารย์อาจารย์ก็รู้แล้วอะไรอะไรก็รู้แล้วจะสอนทำไมอีกนี้ก็ไม่มีใครกล้าสอนที่ถามไปถามมาไปถามนนน้อยองหนึ่งนินน้อยออนีนยนย่เป็นพระรหันต์ชื่อว่าอธิมุตตกะกุมอธิอธิมุตอธิมุตติกะกุมารอธิมุตตกะสมเณ น, นอ่าสามเืร สอนบอกกรรมฐ า, านเนี่ยเนี่ยพุทธเจ้าไปหายใจทักว่าผมก็พี่ปล่าทุกทีเ่ยผมติดอารมณ์จังเลยเนะนี่ยสอนผมนี่ยอ๋ออาจารย์จะเอาจริงๆเรื่องมัน น, น้อยเข้าใจเขาก้าหารเนาะจริงเหาออย่างนี้อาจารย์ต้อง ท, ท, ทําตามพู้หมดนะผู้บอกให้ทำํทำอะไรทําตามพู้หมวดนะเออจะทำตามนินทุกอย่างแล้ววนะันนึงอ๋อาจารย์ไปแต่กุฏินินน้อยนําอยู่ใกล้สระน้ำนะก็บอกอาจารย์ไปห่มผ้ามาดีๆ เรียกว่าสรวงทรงคิวอันใสใสใ ส, สังกัติมาเรียบร้อยแจกสอนกรรมาฐานให้เอานีน่เขารู้เลยอ้าวพอมาถึงพระคัน่นก็กลับไปห่มผ้าแต่งตัวให้เรียบร้อยก็มาหาเ น, นี่ยเนี่ยน้อยว่ามามีอะไรก็ว่ามาเอาอาจารย์ลงปรตสะหน่อยาวกั้นเอาลงเอาอย่างนั้นเลยเนี่ยเอาอย่างนั้นแหละเอางลงเปรตสะน่ะ พอลงไปในสภาพทาท่าจะเปียกก็จะดึงชีวรดึงสวบขึ้นไม่ต้องดึงเนี่้นๆว่าลงไปเลยไม่ต้องเอาขึ้นเหมืงั้นไม่ขึ้นก็เปียกก็ไม่ต้องกลัวเปียกก็ไม่ต้องกลัวงหมือนลงไปลงไปถึงหน้าแข้งเนี่ยพอแล้วยังเน้นยังไม่พอลงไปอีกอนงั้นรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าถึงพอแล้วผมจะบอกให้เหมลงไปลงไปเรื่อยๆจะไปถึงคอนะถ้าก็เปียกเน้นๆบอกอ้าวพอแล้วขึ้นมาเหมงั้น ทีนี้อาจารย์กลับไปเปลี่ยนผ้าไปแต่งชุดมาใหม่ไปเปลี่ยนผ้าห่มผ้ามาใหม่้กลับไปห่มผ้าเอาผ้าชุดนั้นไปซักไปตากแล้วก็ใส่ชุดมาใหม่เสร็จแล้วก็คือในน้อยต้องการทดสอบว่าอาจารย์ยังมีทิฐิอยู่ไหมถ้ายัางมีทิฏฐิมนันนอยู่เนี่ยสอนไม่ได้หรอกอถ้าหากทําตามที่บอกนั้นถ้าทําตามได้แสดงทิฏฐิมนันนมันลดลงบ้างแล้วพอจะสอนกันได้ละทีนี้อ่ นี่ต้องต้องเอาตัวนั้นก่อนที่หลังจากกลับมาก็ฟังนัยน์นียนเนีนก็ถามว่าอาจารย์สมมุติว่ามีจอมปวกจอมหนึ่งเนะี่ยในจอมปวกเนี่ยมันมีตะกรวดตืดแลนหรือเขี้ยนนะตัวหนึ่งอะ่ะมันวิ่งเข้าวิ่งออกทุกวันในจอมปลวกที่นี่มันมีหกหกรูวิ่งเข้าวิ่งออกถ้าอาจารย์จะจับเขี้ยนตัวนี้ที่วิ่งเข้าออกจอมปวกตัวเนี้ย อาจารย์จะมีวิธีจับแบบไหนทีนี้นเป็นอาจารย์สอนเข้ามาก่อนนะก็สอนเข้ามาประจำอะบทนี้ยะแล้วเน้นก็นํามาถามอีกถ้ อ, อย่างไปยากอะไรเน้นก็อุดเสะลห้าห้ารูอ่าก็มันออกมารูไหนค่อยจับแต่รูนั้นน่ะสําเน้นก็ว่าแบบเดียวกันอาจารย์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอุดมันซะเอาอะไรมาอุดเอาสติมาอุด แล้วก็เราหง้์จมูกร่างกายแล้วรอดูว่ามันออกมาจากไหนนะก็จับมันจุดนั้นมันก็ไปโผล่ที่ไหนไปโผล่ที่ใจนะก็จับมันโผล่ขึ้นมาเท่าไรจับเท่านั้นเอาอะไรจับทางใจนั้นเอาปัญญาจับแต่ทางกายนั้นต้องเอาสติจับอ่าเพราะนั้นเวลาเจริญติปฐานสีเนี่ยก็เอามาจับกายให้ได้ก่อน ตาเห็นหูได้ยินจะมุกดมกลิ่นริมริมร ด, ด, ด, ดกายสัมผัสพวกนี้ให้ให้รู้ทันเพราะมันง่ายใช่ไหมตาเห็นให้รู้ทันว่าตาเรามองอะไรเห็นอะไรก็ให้รู้ทันตาให้เห็นสัตว์ว่เห็นได้ยินสักว์ได้ยิ น, ยนเอาสติปไปคุมอย่างนี้นะคอยระวังแต่มันได้หมายถึงว่าหลับหูหลับตาไม่ให้ดูไม่ให้เห็นอะไรไม่ใช่ปิดไม่ใช่อุดแบบนั้นว่าเห็นสัตว์ว่เห็นเห็นแล้วอย่าให้ใจออกไปนะ เห็นได้ให้รู้เฉยๆเห็นได้มีแต่ตัวรู้แต่อย่าให้จิตมันออกไปอย่าให้จิตไปสร้างเรื่องพอเห็นได้จะว่าโอ้สวยจริงหนองามจริงหนอฉันชอบน้อยอย่างงี้ไม่ได้นะนั่นแสดงว่ารั่วแล้วอุดไม่อยู่แล้วนะเคได้ยินเสียงเพลงว่าโอ้เพราะจังน้อยอย่างงี้ก็ไม่ได้จิตออกคนล้วเฮี้ยออกคนละวะเฮี้ยเดี๋ยนะฟังแล้วชอบก็เป็นเฮี้ยฟังแล้วไม่ชอบวันนึงเฮี้ยหลุดเยอะๆไหมเยอะเลยเฮี้ยสอตัวนี่วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่แหละ พราะเราขาดอะไรอุดขาดสติถ้าฟังขอโทษนะใช้คำนี้นะไ <c ười> ด้ว่าเรานี่ท้องนิทานนะว่าอย่างนั้นพราะฟังก็ฟังเฉยเฉยโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าชอบหรือไม่ชอบอะรู้เฉยเฉยเออรู้ก็จบแต่ถ้าใครมาเรียกไปทานอาหารนะฟังเฉยเฉยจบไม่ต้องตอบสนองได้ไหมก็อดเหรอใช่ไห ม, มพ่อว่าะว่างนี้ฟังเฉยเฉยแต่เขามาเรียกไปทานข้าวอ่ะ อและจะตอบสนองการตอบสนองตามความเป็นจริงที่จําเป็นนั้นเรียกว่าปัญญานะอสมมุติว่าตาเห็นเนี่ยเด็กมาเล่นใกล้อ่างน้ําเนี่ยใช่ไหมเด็กมัน้ทำท่าจะเล่นจะตกลงไปเด็กเล็กเลอ่ะแล้ว เ, เ, เห็นเฉยเฉยได้ไหมเห็นสักเท่าไหรเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวโ ต, วตวแล้วเขาตกแล้วก็ตกไปตัวใครตัวมันอย่างไงถูกไหม อย่างนี้ไม่ได้ขาดสติขาดปัญญานะก็ต้องเห็นเพราะสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสแล้วจําเป็นจะต้องตอบสนองก็ต้องตอบสนองตรงนั้นต้องใช้สตินะต้องใช้สติปัญญาการที่เราตอบสนองด้วยสติปัญญาอันนั้นไม่ใช่จิตเออวันก่อนเล่าเรื่องอัน ประมาณจะประมาณจักตักมอยฟังไรอย่างว่าท่านให้ไปหาจิตใช่ไม่ท่านหาเจอั้ยไม่เจอไม่มีจิตมีแต่อะไรอ่ามีแต่ว่างมีแ ต, ต่สติสติเป็นของว่างแต่จิตนั้นไม่ว่างแต่ว่างจากจิตได้จิตมันไม่เคยว่างอมันต้องมีสิ่งมากระทบตลอดตาหูจมูกลิ้นนั่นเดยเมื่อกระทบแล้วมันก็ต้องรับรู้ตัวคิดไปตามนั้น แต่ถ้าหากว่ามีสติเข้าไปรับรู้เนี่ยเวลากระทบสัมผัสสติเข้าไปรับรู้มันมันก็ไม่เกิดจิตจิตหมายถึงว่าต้องอคิดไปตามทิ้งที่กระทบใช่ไหมแต่นี้พอกระทบเรารู้เฉยๆอะ่ะมันก็ว่างจากจิตแต่มันมีตัวอะไรเข้าไปทำหน้าที่แทนสติอ่าสติปัญญาไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงเจตสิกชนิดหนึ่ง น, นะ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เอาสติเนี่ยมาตามรู้เฉยๆตาเห็นหูได้ยินแต่ว่าเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องทําตามตาหูจมูกลิ้นกใจตามทำตามรูปเสียงกิ่เร่ดนั้นต้องทําตามด้วยสติปัญญาก็ยังไม่ใช่จิตนะเป็นเจตสิกเฉยๆงั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือความยากของธรรมความยากของมันว่านี่พุทธิยถาตัดเองนะ นะี่ดัดเองว่าเมื่อเห็นสัจธรเห็นเมื่อได้ยินก็สัจธรรมนีเมื่อรู้ก็สัจธรรู้ไม่ต้องไปปรุงแต่งดัดแปลงให้เป็นไปตามความต้องการของเรารู้สัจธรรมู้ก็ปล่อยสลัดทิ้งไปแล้วก็กลับมารู้ปัจจุบันอันนี้คืออุดรู้ทั้งห้านะีอุดรูทั้งห้าแล้วทีนี้ตัวเหี้ยมันก็จะออกมารู้ที่หแล้วทีจะเอาอะไรจับมันทีนี้เอาปัญญาจึงว่าฝึกปัญญา เพราะฉะนั้นการฝึกปัญญาคือฝึกอย่างไรที่เราว่ากรนมาสีห่หวันก็ฝึกปัญญาก็เปลี่ยนตัวเวทนาให้เป็นปัญญาคือเปลี่ยนเวทนาที่มันรู้กายก็ให้มันรู้สิบให้มันรู้ใจตัวที่เข้าไปตามรู้นั่นแหละมันก็จะแปลงเป็นตัวปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปตามรู้ กายนะมันเข้าไปในจิตมันก็จะไปเปลี่ยนไปเป็นความคิดใช่ไม้มแต่ถ้าตามรู้กายทันสิ่งที่รู้ออกไปจากกายเข้าไปออกจิตนั้นก็กลายมาเป็นตัวปัญญาสิ่งที่มากระทบถ้าสติเข้าไปถูกรู้กลายเป็นปัญญาถา้ถ้าสติไม่เข้าไปรู้หรือ ร, รู้ไม่ทันกายไปเป็นตัว จิตและความคิดปรุงแต่งกลายเป็นสังขารนะแต่ใครเป็นผู้ตามรู้ทีนี้ใครเป็นผู้เข้าไปรู้ตัวสติแต่ผลผลิตออกมาสองอย่างระหว่างถ้ารู้ไม่เท่าทันเวทนาตัวเวทนาคือตัวหลักที่เกิดใช่ไหมคือตัวหลักแต่สติที่เข้าไปรู้ทําให้เกิดปัญญาแต่ถ้าหากว่าการ อวิชชาเข้าไปรู้หรือสติที่เป็นมิจฉาสติเข้าไปรู้ก็ออกมาเป็นตัณหาออกมาเป็นความอยากเพราะฉะนั้นเราจะเอาวิชาหรืออวิชชาเข้าไปรู้จะเอาสัมมาสติหรือมิจฉาสติเข้าไปรู้เพราะฉะนั้นเราจึงมาฝึกตัวมิจาสติสัมมาสติเนี่ยสัมมาสติแต่บางทีเราไม่ต้องเข้าไปรู้เราเข้าไปเพ่งเลยเพ่งไม่ให้มันเป็นอย่างอื่นลักษณะเข้าไปเพ่งเป็น ไม่ใช่เป็นจิตแล้วที่มันเป็นสมถรรถะเป็นสมถะเป็นฌานเนี่ยเขาเรียกฌานนะจิตจิตทําหน้าที่ไปเป็นฌานเพ่งให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละให้ตัวรู้มันนิ่งตัวรู้มันนิ่งพอหนิ่งนานเข้านานเข้ามันก็เกิดภาวะอารมณ์ตัวเหมือนกับเรารวมแสงสว่างโฟกัสเข้ามาทำให้มันนิ่งนิ่งนิ่งเป็นจุดเดียวก็เป็นจุดโฟกัส แล้จุดโฟกัสนี่กลายเป็นไปเผาอะไรก็ได้เพราะนั้นฌานแปลว่าเผาเพ่งฌานแปลว่าเผาเช่นเวลาเราไปเผาสมเรื่องไปอะไรนะไปชาปนากิจเออไปฌานนะ่ะไปชาปนากิจคือไปเผาถ้ารวมจิตเข้ามาจนเป็นฌานมันก็เพ่งเผาเหมันกันนะ เ, เผานิวรณ์เผาอะไรออกไปเพ่งเผาความพอใจไม่พอใจออกไปแต่ว่าฌานเนี่ยมันจะ เผาในส่วนที่มารบ ก, กวนออกไปแต่ตัวยานเนี่ยมันจะเผาความพอใจและไม่พอใจมันจะเผาอยู่สองอย่างแต่ว่าชานั้นเผาอารมณ์ทุกอย่างรูปเสียงกีรด้ยสัมผัสมันเผาแต่พอพัฒนาให้เป็นยานแล้วมันจะเผาอยู่สองอย่างคือความพอใจและความไม่พอใจพรสองตัวนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดทุกกิเลสพอใจไม่พอใจ แต่รูปแสงคิดรดสำ้ำอัตราหูจมูก ล, ลิ้กนกายใจที่เกิดความรู้ตามอาการนั้นเราไม่ให้มันเป็นและเราให้ไม่ให้มันเป็นอะไรให้มันรู้เฉยๆนะี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเผาแต่ไม่เกิดแสงสว่างเผาเราเป็นขี้เถ้ากัเลยเผาไม้มีสองอย่างหนึ่งเผาแล้วเป็นขี้เถ้าสองเผาแล้วกลายเป็นถ่านเราจะเผาแบบไห น, น เผาไขี้เท่าเลยไม่ได้อะไรเลยไม่มีเหลือแล้วเผาถ่านทิ้งเฉยๆเลยเผาไม้ทิ้งเฉยๆเผาไม้ให้เป็นถ่านก็เผาไม้เป็นขี้เท่านี่ต่างกันไหมเผาไม้ให้เป็นถ่านทำไงพ่อพวกเราเป็นคนในกรุงไม่เคยเผาถ่านแต่หลงพ่อมีอาชีพเผาถ่านนะเราเป็นเด็กนี่มีอาชีพเผาถ่านจริง เราก็จะต้องเอาไม้มาเผาเผาแล้วก็ต้องเอาดินเข้ากลบมันติดแล้วนะกลบสามวันเจ็ดวันจนมันไหม้หมดแล้วก็เอาดินออกมันก็ไม่เป็นขี้เท้าแต่ถ้าเมื่อไรถ้ามันอ่าเกิดไหม้เข้าไปมันยุบมันอะไรขึ้นมาดินไม่พอเนี่ยปล่อยให้มันอย่างงั้นส่วนที่มันโผล่ออกไปักลายเป็นขี้เท้าส่วนที่มันอยู่ถูกปกอยู่ก็กลายเป็นฐานอยู่ทําไมเอาเรื่องนี้มาพูด เมื่อกิเลสมาเผาใจเราเนี่ยถ้าเรามีสติเข้าไปครอบคุมไปควบคุมกิเลสก็จะกลายเป็นฐานไม่ใช่แค่พิธเท่ากิเลสเป็นีเท่าไม่ได้กิเลสก็กลายเป็นฐานไหมเพราะว่าอันหาความอยากก็กลายมาเป็นปัญญาปัญญาเป็นฐานเพื่อจะให้พลังงานความร้อนต่อไปแต่ฐานนั้นจะไม่เผาเขาไม่ได้มาเผาทิ้งต้องไปเผา หุงตุงมหุงข้าวตุ่มแกงใช่ไหมนี่ถ้าเผาไม้ทิ้งแล้วก็ไม่ได้ได้แต่ขีดเท่าแต่เผาไม้แล้วให้มันได้ฐานเมื่อให้เผาจิตแล้วก็ให้มันได้แสงสว่างทางปัญญาคือเผาเอาความดิบความเถื่อนเข้าไปความดิบความเถื่อนของไม้มีสองอย่างความพอใจเปรือกเส ม, มือนน้าในไม้ความไม่พอใจเปลืยกเส ม, มือนอะไรอย่าง และความดิบเถื่อนที่ไปอยู่ในไม้เผาออกไปแล้วมันก็จะเหลือแต่ฐานจะกลายเป็นพลังงานอันนี้คือมีนัยยะนะมีนัยยะเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวนี้เตา เ, าเผาเขาไม่ได้ทําแบบโบราณนะเขาเอาเตาแบบแบบเผาผีก็คือเอาดินเข้ามากรวดเเผาอลำบากมากแต่เดี๋ยวนี้เขาทาเป็นเตาอะไรเตาอบนะฮะปั่นเป็นเตาอบเลยไม้ใส่เข้าไปก็ปิดดูทั้งหมดแล้วก็เผาสามวันเ็ดวันไปเปิดเอาฐานมาใช้ ไม่เป็นขี้เท่าเลยเป็นรุ่นเป็นแดงเหมือนกับไม้เลยนะอันนี้เขาเริ่มมันปกปิดดีถ้าสติของเราครอบคุมถ้าสติของเราดูแลตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชัดๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นปัญญาแต่ถ้าอะไรออกมาเป็นเันหาไหมคอาเป็นอะไรเป็นขี้เถ่ามันใช้ไม่ได้แล้วออกมาเป็นออกมาเป็นเดนหานี่มันเผาอะใช่ไหมเผาแบบเปลวออกเลยที่เหลือออกมาก็เป็น อวิชาไปเป็นอุปาทานเป็นชารามัยนรโสกะปฏิเทวเรียกว่าขี้เถ้านะแต่ถ้าออกมาเป็นตัวสติเข้าไปตามรู้ตามดูใเห็นออกเผาความพอใจไม่พอใจออกไปกสมมติความดีความถ่านของของไม้เผาออกไปมันก็เหลือพลังงานคือตัววิชาปัญญาและแสงสว่างเนี่ยวันนี้เราเผาได้เยอะไหมเผาถ่านได้เยอะไหม เผาผีอ่ะเผาเผากิเลสเผาตัณหาเผาอุปทานเผาอเผามันกันไปขี้เท่าหมดเลยเพราะน่ะไม่ได้ไม่ได้เหลือทานไม่ได้น้อเผาเรลยเพราะนี้เขาเรียกไม่ได้ไม่ไม่เอาทานวันนี้จะเอาแต่ขี้เท่าพวกไม่เอาทานเนี่ยพวกปฏิบัติไม่ได้เรื่องไม่เอาทานเลยว่าจะว่าคนใช่ไหมเคยไหมแกนี่ไม่เอาทานเลยแสดงว่าเอาอะไรเอาขี้เท่าเพราะมันขาดทําด้วยขาดอะไร ขาดสติขาดปรราัญญาหรือไม่ได้ฐานอ่เพราะฉะนั้นทำด้วยตัณหาบุาทานก็จะได้แต่คิดเท่าเราเอามาใช้กันถูกนะแต่ว่าเอามาใช้แต่ทางนอกแต่ใช้ทางในใช้ไม่ถูกหรอกแกที่ไม่เอาทานเนี่ยพูดเป็นวักเป็นเวนแต่ไม่รู้เรื่องหมายความว่าอย่างไงนะดังนั้นน่าจะเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ท่านทําำไมแหละมข่มขนาดนั้นนะท่า น, น, นสอนเราทีนี้เวลาเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้อง ทำให้มันถูกนะทำให้ถูกว่าเมื่อจิตและตัวรู้ของเรานั้นเกิดจากรูปนามหรือขันห้าแต่ว่าจิตที่เกิดจากรูปนามขันห้าเนี่ยทำหน้าที่ด้วยตัวรู้หรือตัวไม่รู้ถ้าทําหน้าที่ตัวรู้เรียกว่าทําหน้าที่ด้วยสติปัญญาถ้าทําหน้าที่ด้วยตัวไม่รู้เราทำหน้าที่ด้วยอวิชชา เศรษฐิปัญญาเรียกวิชาใช่ไหมถ้าหากก็ททำหน้าที่ด้วยความไม่รู้ด้วยอว่าวอาวิชาแล้วส่วนใหญ่เราทำหน้าที่ด้วยความรู้ตัวหรือความไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นเรื่องเป็นหาวทีนี้ออกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องโลกนี้จึงอยู่ด้วยอวิชาแล้วเราก็จะเมื่ออยู่อวิชาตายไปก็ไปตำกฎของอวิชา ต้ไปเวียนว่า้ใจเกิดเวียนว่า้ใจเกิดเวียนไหว้ใจเกิดยู้อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวไปเป็นลิงเดี๋ยวไปเป็นข้างเดี๋ยวไปเป็นไสเดือนเดี๋ยวไปเป็นเป็ดเป็นไก่เดี๋ยวเป็นช้างเป็นหมาเป็นหมูเป็นม้าเป็นควายแล้วกลับมาเป็นคนอีกให้มีโอกาสมาดูว่าใครจะเอาไหมถ้าไม่เอากลับไปเป็นพวกสัตว์แล้วนั้นอีกนานนัที่ให้โอกาสมาเกิดอีกให้โอกาสมาเกิดดีทีนี้ยุคในสมัยใดที่เรามาเกิดเจอคําสอนพุทธิยาว ถ้าเราเอาก็โชคดีไปใช่ไหมไม่ต้องไปเป็นสิงสารายสัตวสันเล็กสัตวหญยาลิสัตวอินสัตว์ปุมสัตว์เทวดาแต่ยุคใดสมัยใดเกิดมาไม่เจอพระพุทธเจา้าเราก็โชคไม่ดีใช่ไหมก็กลับไปเป็นสัตว์อีกแต่ยุคใดสมัยใดเกิดมาเจอคําสอนพระุทธเจา้าเราไม่เอาอีกไม่เอาทานอีกไปไงก็ต้องไปมันหนักกว่าเก่าอีกแคเวียนอยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสังสารวัตรใช่ไหมสังสารวัตนะ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเวียนว่าแต่เกิดเนี่ยมันมันมันไกลไปไกลตัวเ อ, า, อางนี้วันหนึ่งเนี่ยถามง่ายง่ายตั้งแต่ตื่นนอนมาถึงตัวเนี้ยคิดได้กี่เรื่องแหละคิดที่เรื่องเอะไรบ้างอะไรจำอะไรบ้างไหมเนี่ยมันไปจนหลงทิศหลงทางเลยเนินจำไม่ได้เลยเออถามมาจําจําไม่ได้เนี่ยใช่ไหมแค่นี้แค่วันเดียวแล้วก็จําไม่ได้แล้วหลายผู้ายชาติจะจําได้งไง แต่ถ้าเมื่อใดจเจริญสติตัวนี้ไปมากๆมันจําได้อจําได้ว่าวันนี้ตื่นมาคิดอย่างไรเดินจากที่นอนมาถึงนี่มันกี่ก้าวรู้หมดเลยเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าเนี่ยเดินจากนี้ไปที่นอนนี่กี่ก้าวเนี่ยขนาดวันนั้นเดินกันแค่รอบวันนี้ยังนับถูกนับผิดกันเลยบ <laughs> าะคนผิดไปพันร้อยเลยเนะยเขาได้ตั้งสามรอสิบตัวเองก็ได้แค่เก้าสิบหกอย่างนี้ก็มีนะโอ้ไม่น่านเชื่อเลยให้ไปเดินรอบใหม่ นี่ยังไม่ได้สอบเลยพอสอบตกนี่นะไม่ได้สอบต่อเลยเนะี่ยอันนี้คือคือการฝึกตัวรู้ง่ายๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อแค่ว่าเกิดมาชาตินี้เราได้ฝึกขนาดเนี้อย่างน้อยต่อไปเนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่เกิดเป็นสัตว์อีกละเกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมเป็นพระอริยะเจ้ากลับมาใหม่ก็มาทําต่อเท่านั้นเองมาทําต่อไปแต่บางยุคบางสมัยไปเกิดเป็นมนุษย์วิชฉาทิฏฐิ ไปเกิดเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิไปเกิดเป็นพรหมก็พรมมิจฉาทิฐิเป็นไงกลับไปเป็นพรหมทุกขติภูหมอีกอย่างที่ว่ามันก่อนเทวีนี่นั้นพวกที่เป็นเทวดาอินภรมมเวลาก่อนที่เขาจะจุติจะตายเนี่ยเขาจึงปรารถนาถ้าขอให้พระพุทเจ้าไปเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิเขาปรารถนาอย่างเดียวเพราะอะไรถ้าไปเกิดวิจัยทิฏิเขาก็ต้องลงจุติจากนั้นเขาก็ไปทํากรรมกรรมเขาก็ตนกนรก ก็จะขึ้นมาเป็นเทวดายอยีกไม่รู้กี่กแสนกีล้านปีนี่เห็นไหมเขาปรารถนาอย่างเดียวท่านปรารถนาเกิดในตระกูลสมาธิฏิพวกเราทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเกิดในตรกูลมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมาธิฏิเป็นไงก็มีโอกาสใช่ไหมเขาใหส้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสมาธิฏฐิและสมาสติสมาธิฏฐิก็เห็นถูกเห็นถูกว่าทุกมันเกิดจากที่ไหนแล้วเราจะแก้ไขทุกได้อย่างไร แล้วจะดับทุกได้อย่างไรก็พยายามนี่เป็นสมาธิที่แล้วปัญหานี่มันเกิดมาจากไหนแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหา ใ, ให้ตกนะดังนั้นเราจึงใช้สูตรของพระพุทธเจ้าจัดการกับจิตสูตรของพระพุทธเจ้าที่พระุทธเจ้าจรู้พระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรเรื่องจำไม่ได้แล้วแต่จะรูอระ้อะไร อริยสัตวทุกสมุทัยนี้โดธมรรคใช่ไหมทีนี้ทุกสมุทัยนุน ย, ย่อแล้วเหลือสองคือรูปกับนามทุ ก, กสมุทัยเป็นรูปนิโรธกับมรเป็นนามอ่าเรามาดูรูปดูนามก็เหมือนก็ดูอริยสัตว์นั่นเองอ่าแต่ถ้าหากว่าเราดูด้วยอวิชาก็ไม่ใช่อริยสัตว์สีแล้วกลายเป็นอ่ากลายเป็น อวัยพุมสีไปเลยนะกลายเป็นสัตว์สี่ประเภทไปเลยอริยะหายไปแต่ถ้าเราดูด้วยสติด้วยสัมปชัญญะปัญญาก็เป็นอริยสัตว์สี่นะแต่ถ้าหากว่าเราดูด้วยขาดสติก็เป็นสัตว์สี่ไปสัตนาโลกสัตว์เปรตสัตว์กายเดชานหรือสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์อินสัตพุ่มแล้วแต่จะไปแต่ถ้าหากว่าดูด้วยอริยสัตว์กลายเป็น โพธิสัตว์สี่ไปเลยเป็นโสดาสิกินขคานะคาพระหันเนี่ยเราจะเอาประเภทไหนที่นี่ก็เลือกเอาที่นี่ในฐานะที่เรามาสู่สภาพที่เป็นสมาทิฐิแล้วเราก็ต้องมาดูกายดูใจดูรูบดนำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะมีวิธีดูอย่างไรก็บอกกันทุกวันนี่แหละมีวิธีดูให้นั่งดูเดินดูนอนดูดูอย่างนั้นแหละเอ๊ะทาไมดูเยอะเหลือเกินหลวพอเวลาคิดมันคิดเยอะใช่ไหมก็เรื่องดูรู้เยอะ ถ้ารู้น้อยๆแต่คิดเยอะมันมเป็นไงสมดุลกันไหมไม่สมดุลคือไม่เป็นมันชฌิมาปฏิปทานะรู้ให้เยอะๆคิดเท่าไหร่รู้เท่านั้นหลวงพ่อเทียนบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งดีมันจะได้รู้เยอะแต่ถ้ายิ่งคิดถ้าไม่รู้ไปอย่ไงยิ่งคิดไปไงก็ยิ่งแย่ยิ่งเป็นบ้าเลยนะยิ่งคิดยิ่งประสาทไปเลยเพราะมันไม่มีตัวรู้เพราะนั้นเราจึงฝึกตัวรู้ไว้เพื่อที่จะแปลงตัวคิดให้เป็นตัวอะไร เป็นตัวทมเปลี่ยนตัวทุกให้เป็นตัวรมถ้าความรู้เราน้อยตัวทมก็กลายเป็นตัวทุกข์แต่หากรู้สึกตัวเยอะๆก็เปลี่ยนตัวทุกให้เป็นตัวธรรมได้นะแต่หากคนไหนทุกมากก็มีทรมากเพราะเข้าไปรู้มากเหมือนเราจะเผาถ่านยิ่งไม้ดิบเยอะมันก็ได้ถ่านเยอะใช่ไหมถ้าไม้ดิบน้อยก็ได้ถ่านน้อยเพราะนั้นตัวความคิดเนี่ยเป็นวัตถุดิบ ความคิดที่ไม่มีสตินี่นะเป็นวัตถุดิบเพราะเราฝึกสติขึ้นมาก็เปลี่ยนวัตถุดิบนี้ให้ไปเป็นตัวรู้ได้ทั้งหมดนะดังนั้นเองเราจึงไม่ต้องไปกลัวว่าทุกขนาดไหนไม่ต้องไปกลัวทาธรรมาก็ลองดูนะวันครั้งเออเอาดูชอบเดินไปตรงนั้นก็ อ, อยู่กับที่ดูาอะไรมันเกิดดูว่าเราจะขยับไปตอนไหนใจมันขยับตอนไหนกายขยับต้องทดสอบละ ยืนไปยืนมาอคิดว่ามันอยากจะไปตรงนั้นอ๋อควาคิดนี่เองยืนไปยืนมามันอยากจะย ก, ยกขายกแข้งมันอยากจะนั่งเพราะอะไรเป็นเหตุมันเมื่อยใช่ไหมปวดขาปวดขาก็ดูมันปวดขาก็ไม่อยากขยับใช่ไหมมันก็หายปวดนี่ขยับไปขยับมามันชักไม่หายเท่าไงก็นั่งนั่งก็สบายอ่านั่งไปนั่งมาเดี๋ยวอมันเฟืินเพราะมันสบาย มันทํำท่าจะง่วงอเอก็ดูไปอย่างงี้แหละมันดูไอ้สิ่งที่มันเกิดอ่ะไอ้ก็ได้ก็แก้ไปให้แก้ไม่ไหวก็หาวิธีแก้ใหม่อย่างงั้นดังนั้นจึงเอาตัวดูตัวรู้ตัวเห็นนเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะรู้ตลอดนั่นนึงเรามาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้เกิดตัวรู้เท่านั้นนะเราไม่ได้เอาอะไรมันง่วงก็รู้มันเงาก็รู้มันเบื่อก็รู้มันเซ็งก็รู้มันคิดก็รู้เปลี่ยนให้เป็นตัวรู้ให้หมด นเปลี่ยนเป็นตัวรู้ให้หมดดังนั้นเวลาเราเดินยืนเดินนั่งนอนทําอะไรก็พยายามตามกําหนดไปเรื่อยตามตามไปดูไปเรื่อยให้มันเป็นตัวรู้เมื่อตัวรู้มันมาแทนนิสัยตัวไม่รู้เปลี่ยนได้เยอะขึ้นนะแต่อยู่ตรงนี้โอ้โหได้ตัวรู้เยอะเลยพอกลับไปเป็นไงลืมตัวรู้กลับไปอยู่กับตัวไม่รู้อีกเอาวิชาอีกก็คิดเยอะอีกใช่ไหม แต่ถ้ายังรักษาตัวรู้ไว้ก็เปลี่ยนตัวคิดให้เป็นตัวรู้ได้อีก เ, เยอะๆดังนั้นตัวที่เรามาฝึกตัวนี้ที่นี่ไม่พอเลยนะแต่มาฝึกซ้อมเอาไว้เพื่อเอาไปใช้ที่บ้านเพราะสิ่งที่เราจะไปรู้ที่บ้านมันเยอะมากเลยวัตถุดิบมันเยอะมากนะเดี๋ยวพ่อจะเอาอย่างนั้นเดียเ๋ยวแม่จะเอาอย่างนี้นเดี๋ยวผัวจะเอาอย่างเดี๋ยวเมียจะเอาอย่างเดี๋ยวลูกจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้านายจะเอานี้เดี๋ยวลูกน้องจะเอาอย่างนี้น มันก็เลยเรื่องจาเป็นจะต้องไปรู้เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราว่าตัวรู้ที่เราตั้งไปเป็นาสารตั้งต้นไม่พอเป็นไงตัวไม่รู้มันกลบหมดเลยเพราะฉะนั้นไปที่นี่เราต้องถือไฟไว้ให้ดีไฟคือตัวรู้เนี่ยนะกลับไปบ้านโดนขยะเลยมานี่อย่าให้ไฟดับนะพยายามี่ขยะทมหัวเล ย, ว, ว, ว, เล ย, นะยว่าความคิดทั่วหัวเลยนะสมัยนี้ก็ความคิดทั่วหัวตัวไม่รอดเออว่าอย่างนี้ถูกนะ แต่ถ้าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนี่โอ้หแสบเลยนะถ้าความคิดท่วมหัวตัวไม่รอดคิดเยอะเกินไปแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่พูดอย่างนั้นความรู้ท่วมตัวแต่ว่าเอาหัวไปไงเอาหัวไม่รอดอยิงขม็องตัวเองแล้วเบิดขม็องตัวเองเอาหัวไม่รอดเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราจําเป็นต้องรู้ ตลอดเวลาในกายในใจทั้งแต่หัวจุดเท้าลงไปเอาสติเข้าไปสํารวจรู้ว่ามันมีอะไรบ้างรู้ไปรู้มาเนี่ยความเป็นตัวตนความเป็นดุ่นเป็นแท่ง ม, ม, ม, มันหายไปหายไปเหลือแต่อะไรเหลือแต่ตัวรู้สึกตัวกูตัวเราตัวเขาหายไปอัตราตัวตวนหายไปโอ้กโหโกมันจะหายได้ไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไหมเผลอทีไรตัวกูมาทุกทีเลยะ เผอที่ได้ตัวเพราะนั้นจริงรู้มากๆมันเพื่อไม่ให้เผอนั่นเองเพราะเผอตัวอะไรก็ดูกรูก็โผล่มาทุกทีดังนั้นเราจะทำอย่างไรก็ฝึกตัวรู้ไปเรื่อยๆฝึกอยู่อย่างนั้นน่ยแล้วในขณะเดียวกันฝึกตัวรู้ไว้เยอะๆตัวเผอก็ต้องลดลงแต่ถ้าหากว่าฝึกตัวรู้เยอะแต่ไม่ตัวลดตัวเผอไม่ลดไปไงมันก็สู้ตัวเผอไม่ไหวมันเยอะกว่า ทีนี้ท่านได้กล่าวว่าตอนกลางวันว่ามีตัวเผลอที่จะทําให้เสจะทําให้คิดอนะตัวเผลอหนึ่งตัวเผลอสองตัวเพลินสามตัวอะไะตัวหลงตัวลืมตัวง่วงนี่เป็นตัวอะเวลาเราเผลอทําให้เราคิดใช่ไหมแต่ถ้าเราเพลินทงงํ า, าทให้เราไไง่วงถ้าเราหลงทําให้เราเป็นไงเราหลับ หลงก็เข้าไปในความคิดเลยดังนั้นเองก็มาจากทีนี้ตัวตัวเพลินมาจากเวทนาตัวไหนสุขเวทน า, าตัวเพลอทําให้มาจากทุกเวทนาตัวหลงทำมาจากอะไรอทุกข์มรสุขเวทน า, าดังนั้นก็จะมากําหนดไอ้ตัวเวทนาทั้งสามตัวนี่แหละให้ชัดๆเพื่อให้ไม่เพล่ไม่ให้ไม่เพลินเพื่อไม่ให้มันหลง มันก็จะแก้ไขได้ง่ายกตำรวดง่ายๆไปอย่างนี้แหละมันก็จะไปหายากแต่ประการสําคัญต้องเป็นคนขยันอย่างบรมว่าขยันเลยขี้เกียจไม่ได้ขยันขนาดไหนที่เขาเขียนเรื่องมหาชนกอะเคยได้อ่านไหมมหาชนกที่เรือเอาปรางใช่ไหมเรือเอาปางแล้วก็พวกไหวกันเล็กๆน้อยๆไปไม่รอดฉลาดกินหมดเลยแต่พอมหาชนุกพกอรู้ว่าเรือมันจะล่มใช่ไหมท่านก็เอาผ้า ไปชูนน้ำมันพันตัวเลยเพราะอะไรพวกปลาหลายทั้งหลายพราะมันได้กินน้ํามันมันไม่เข้าใกล้ละมันก็หนีไปก็ไหว่ยอยู่นั้นถามว่าเห็นฝั่งเห็นขอบทะเลไหมไม่เห็นไหว้ไปไหว้ไปมีกําลังก็ไหายไปยงั้นป้ากล ว, ว่าไหว้ไปถึงวันที่หูที่จิบเป็นวันพระก็เออเจ็ดวันนี้แต่สมควที่ไปไม่รอดล้ตายละก็สมาทานศีลแปด ก่อนที่จะตายวันนั้นผู้ ว, วันนี้ก็ต้องเวลามันเหนือ่อยมันจีก็น้ําทะเลเข้าไปในปากบ้างนะกินไปบ้างพอพอ ย, อยู่ได้วันนั้นรักษาสิ้นแปดกะว่าอย่างน้อยตายไปไปเกิดเป็นพรหมก็ยังดีด้รักษาสิ้นแปดใช่ยหมภาคูดว่าเดือดร้อนถึงพระ อ, อินทร์พระเทนศิดาเคยเก่าก่ากอนเคยเคยอ่อนแต่ก่อนมา วันนี้มันกระด้างดังสีล้วประหลาดใจที่นั่งอันนะก็เลยมันเกิดเรื่องอะไรในมนุษย์โลกก็ของมาดูโยมขโมนจําได้ไหมจำไม่ได้นะอาขยานท่องกันในสมัยนั้นใ น, นสมัยเป็นเด็กทองอาขยานเรื่องสัมทองอะไร่างนีเสร็จแล้วก็ส่องมาดูบนชั้นชัเห็นพระมหาชนกกาลังว่ายน้ําเรือป๋อมแปมป๋อมแปมอยู่ก็เลยสั่งใครเจ้าทะเลไปถามดูใครเป็นเจ้าทะเล นางอะไรนางมณีเมขลานะก็ไปถามดูษฎีวัดานะท่านไหว้ทําไมตั้งหกเจ็วันนะไม่อยู่นางมณีเมขลาเขาไปว่าเออท่านผู้เจริญจะไหว้ไปถึงไหนในไหว้วันทั้งหกเจดวันแล้วเนี่ยทะเลไม่เห็นขอบเห็นริม่านจะไหว้เอาอะไรเออถามอย่างงี้เนะี่ยท่านตอบว่าไงดูก่อนท่านผู้นิรันดร์ทุกคือมาเทวดาไม่ทุก น, นะท่านผู้นิรทุกร์ข้าพเจ้าไหว้เนี่ย ไม่ได้ไว่ายเพื่อจะไปถึงขอบถึงฝั่งหรอกแต่ข้าพเจ้าว่ายเพื่อที่จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้หมดให้หมดความสามารถอะไแหละว่ายไปถึงนี่ถึงนั่นการที่ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดแล้วมันยังไม่ถึงนะัะนข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วเลือกจะถึงขอบถึงฝั่งไม่จําเป็นแต่ขอให้ได้ทําหน้าที่ให้สุดความสามารถก็ได้กันคือทําขยันให้สุดความสามารถนะ ส่วนจะไปถึงนิพพานหรือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ปรารถนาปรารถนาว่าขอได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ถึงจะตายก็ตายด้วยความภูมิใจมีว้างไว้ว่าขยันจนกระทั่งเป็นลมเป็นแรงตายโอ้ขยันเรื่อยจนจนตายนี่ดังมากเลยนะพระธรรมจะเป็นเจ้าภาพศพตั้งแต่วันแรกเลย <laughs> <laughs> แล้วก็จะประกาศเจตคุณอย่างมากเลยทนะีเดียวโอ้ขยันจนตายเลยนะนะ่นเนี่ยสร้างเว่าจนเป็นลมเป็นแรง อันนี้อะไรโหจะเป็นอะไรหน่อยพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังมันไม่เป็นให้หรอกนี่ก็เรียกว่าไม่ไห ย, ยไม่เต็มที่นะว่าให้เต็มที่เลยเมื่อเป็นอย่างนี้โอวนางเมกะลาโอวขนาดนั้นเลยอะ่ะนั่นงเมกะลาสงสารเออเอางั้นข้าพเจ้าไปกับข้าพเจ้าก็าาแล้วกันอก็อุ้มมหาชนกไปขึ้นฝั่งในวันนั้นเลยเห็นไหม เมื่อถึงที่สุดของที่สุดแล้วมันจะมีอันช่วยธรรมะของพระธเจ้าท่านต้องการสอบตรงนั้นเองว่าถึงที่สุดไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เราปรารถนากันเลยเกันไ่าขอให้ความพยายามของเจ้าทั้งหลายให้เป็นถึงที่สุดเกวรสะทุกขคันทัสะอันตะเกยยะสังวัตตุขอให้ภูมิจันทร์ของเราทั้งหลายเป็นไปเพื่อการที่ทำที่สุดแห่งทุกข หมายเขาว่าเอาให้สุดความสามารถนั่นแหละนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะขออีกเรื่องหนึ่งเวลาใกล้จะหมดแล้วเพื่อจะให้กําลังใจนะอินสปายกันหน่อยไว้เอาจริงไวนะ้เนยะถึงจะเป็นนิทานแต่เรื่องก็น่าคิดอ่ะเขาบอกว่าดาปุติเวลาหน้าแรงวเนี่ยใบยม้ก็หล่นนะใช่ไหมหล่นทั้งป่าเลยทีนี้พอไฟไหม้ป่าแต่ละปีเนี่ย นกหนูปูปีกมันอยู่ที่แ น, น่ไม่ได้บินหนีไปที่อื่นหมดทีนี้มันมีนกกระจิบตัวหนึ่งเห็นเพื่อนหนีไปหมดแต่ว่าตามพุทธิถ้าไม่เกิด อ, อะไรขึ้นเพะพวกนกมันก็อยู่กันเต็มกอไผ่แหละอาศัยกอไผ่มาที่อยู่แต่วันนั้นปรากฏไฟเข้าป่านกก็บินหนีไปหมดนกกระจิบเข้าไปเจ้าจะไม่ไหนีเพราะก็อยู่ที่นี่มาแล้วเข้าไปเจ้าไฟมาก็จะช่วยต้นไผ่เต็มที่เพื่อตอบแทนบุญคุณ ต่นไผ่เท่านั้นเองว่าเราอยู่มาทั้งปีทั้งชาติเวลาไฟมาเราจะทิ้งหนีเขาได้ยรือไงนึกอย่างนั้นปับ๊บก็เอามาช่วงที่ไฟกําลังมาถึงเนี่ยก่อนที่มาถึงก็ไผยนกกระจิบนี่ก็บินไปที่หนองน้ำแล้วไปชุบตัวแล้วก็มาสลัดสลัดเลยไฟกลับไปอีกไปชุบตัวแล้วมาสลัดสลเลไฟทำอย่างนี้นเป็นร้อยเที่ยวพันเที่ยวเรื่องนี้เป็นเดือดร้อนพระอินอีกแล้วนะ แต่๋ลวเพี่วกส่องมันเกิด อ, อะไรขึ้นโอ้นกน้อยตัวหนึ่งเอาตัวเองไปชุบดาวแล้วมาสระดับใส่ไฟหวังว่าจะดับไฟเพื่อให้ต้นไม่ให้ไฟไหม้ต้นไผ่เพือพ่อว่าจะแสดงออกว่ามีมีบุญคุณต้นไผ่มีบุญ ค, คุณต้องช่วยเขาก็ลงมามาถามอนกน้อยจะทําอะไรกําลังดับไฟอยู่โอแคคิดว่ามันจะดับเลยนะ ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะดับหรือไม่ดับแต่ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดก็พอใจแล้วดีกว่าตายไปโดยที่ไม่ได้ทําหน้าที่โอ้โหทออินฟังเราซึ้งมากสักพักหนึ่งบรรทาดฝนตกหาใหญ่เลยไฟดับทั้งป่าต้นไผ่ต้นนั้ก็รอดเห็นไหะอันนี้หมายถึงว่าเราทําถึงที่สุดความสามารถแล้วมันจะมีอันช่วยไม่ต้องหวังมันจะมีอันช่วยมันเองใช่ไหมเออเรื่องนี้มันต้องมีที่ไปที่มานะ่ะมาว่า ดังนั้นเวลาเอามาทำความเพียนเนี่ยโอ้มันสนุกอยากจะเป็นลมในการเพียนนี่แหละม่รู้ว่ามันเพียนเป็นลมไัม้นเป็นขนาดไหนนะมันก็ไม่เคยป็ยนอะนะอย่างน้อยก็เมื่อยเหนื่อยหิวนอนหลับสบายทานข้าวอร่อยแค่นั้นเองแหละนะก็ทำไปทามาอ๋อถึงวันหนึ่งมันก็คลิกขึ้นมาเองพอคลิกมานนิดเดียวกันอนะ่ะชั่ววินาทีเดียวจากที่มันมืดทั้งห้องพอเราเจอสวิตไฟไปไง เปิดแว บ, บเดียวสว่างทั้งห้องเลยแค่นั้นแหละขณะที่เรากดสวิตไฟแป๊ะเดียวเนี่ยมันพระพุทธเจ้าใช้คำว่ารัดนิ้วมือเดียวไม่ถึงวินาทีได้สาไปเพราะจิตของเรามันพริกมันพลิกไวนะดังนั้นเราต้องการแค่นั้นแหละไม่ต้องการอะไรมากที่พยายามทั้งหมดแล้วก็ในใจของเราเนี่ยสวิตเป็นอยู่ลี้ลับหน่อยเท่านั้นเองว่าถ้าใครคิดมากใครเรื่องมากเลยนะ ส, สวิตยิยงอยู่อยู่ซับซ้อนมาก เหมือนกับเราเอาขยะไปถมสวิตตัวเองเนี่ยหาไม่เจอคนหาไป่เจอมันอยู่ที่ไหนะนะเหมือนกันถ้าคนไหนคิ ด, ดน้อยน้อบุงแต่งน้อยนเรื่องน้อยน้อยหน่อยเอออาจคนนี้ก็หาเจอก็ไปเปิดเอาเลยนี่เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าที่ทำยากยากให้รู้ว่าเรามันคนคิดมากไปถมทางถมสวิตไฟของตัวเองคือหาไม่เจอนะดังนั้นอันนี้คือเรื่องของจิตที่กล่าวมาทั้งหมดนี่นะมันยากยังไงก็ลองไปทําดู ให้ทำตัวรู้ตัวรู้ก็คือตัวนี้แหละตัวรู้อาจจะไม่เราสมมุติว่าจิตนะแต่ความจริงไม่ใช่ตัวจิตแล้วจิตก็คือวิญญาณจิตวิญญาณมันเรียกแต่ถ้าว่าตัดตัววินออกแเหลือแต่วญาณ น, นั่นแหละคือเหนือจิตคือตัวรู้ถ้ามันเป็นวินอยู่ข้างหน้าเด้อแล้วมันก็จะกลายมาเวียนหัวอยู่นั่นแหละก็มันจิตนะอีสานเขาเรียกถูกนะวินหัวนะ่ะ เขาก็เรียกเรียกกับเวียนหัวนะใช่ไหมบินหัวตัดเอาวินตรงนั้นนะ่ะคือมันทําสร้างเรื่องให้ในหัวนะ่ะบินเลยอะไรเง้นนะเพราะนั้นก็เหลือแต่ยานก็คือตัวรู้คือยานมันอยู่เหนือจิตมันไม่มีจิตแต่มันอยู่มไม่สูงกว่าจิตดังนั้นขอให้เราทั้งใจรู้ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็รู้เลยตื่นนอนขึ้นมาลุกพลวดรีบมาทําโยคะไม่ใช่งั้นฮนะตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องดูเป็นเป็นไงตื่น หายใจลึกๆแล้วค่อยพลิกเนื้อพึกตัวปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเข้าห้องน้ําไปไงก็อย่ารีบเพราะในบ้านของจันเบลพัฒนี่มันมีข่มมีลองมีอะไรเยอะนะเพาเผื่อทีพลิกเหยียบล้มเลยวะ <c ười> ตรงนั้นเมาจะล้มหลายครั้งนะั้นนะอาศัยค่อยๆลูบค่อยๆคลำไปมั้งงั้นยังยังไม่ได้เปิดสวิตนะวางวันลืมไปฉายไว้ที่นี่ไม่ได้ไปฉายไปนั่นะทําให้เราใช้สติเยอะ เราได้สติเยอะเลยเนี่ยเพราะเราต้องไม่ประมาทใช่ไหมแต่ถ้ามันง่ายไปผู้พิพไปประมาทเราไม่ได้สติเพราะนั้นมีล็อกมีห้องมีขุมมีที่ต่ําที่สูงเนี่ยเป็นบ้านแห่งสติเลยแหละเจตนาสร้างบ้านสติอาจารย์ธรรมพัฒเรียกบ้านสตินะก็อยากจะนั้นทั้นนั้นเองมาเดินจงกรมตอนเย็นไปเดินมามันเกิดคลิกขึ้นมาในใจนะโอ้สนามนี่กว้างอย่าง ถ้หาว่าเคลียให้เสมอนะเราเอาทรายเขาขาวมาลงโ อ, โอ้เดินจูงขมสนุกเลยน ะ, mm. นะตอนเย็นว่าเดินจูงขุมกัเต็มลานเลยนะเ อ, อวันสุวันเสาร์ก่อนนักเรียนเลิกเอานักเรียนมานั่งปฏิบัติที่นี่มันสนุกน่าดูเลยนะเนี่ยมันกลายเป็นเลยได้ชื่อขึ้มนมาหมาว่าอาสมสารติประพาคานว่างนันนะเออเห็นไหมคนิดเดียวก็เลยไปนู่นเลยใจไม่ได้อยู่ที่เท้าเดินแล้วทีนี้ไป ปูแต่งเรื่องสนามจมกลมนะฮะไม่ได้แล้วปีหน้าอาจจะได้โผล่ขึ้นมาอย่างที่ว่านี่ก็ได้นะสนามสวยเพราะอะไรมันรักษาวความสะอาดง่ายไม่ต้องปูกญยาปูญ้าเปลืองน้ํายุงเยอะเอาสายทะเลขาขาวมาปูนี่แล้วก็ปูสันนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมปูเสือนั่งตรงไหนก็ได้มันก็รักษาวความสะอาดได้ง่ายมันก็เกิดเป็นอาสมปฏิบัติธรรมขึ้นมา ไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนเลวมาตรงนี้แหละใครอยากปฏิบัติ้ามากระดูกมันี้ก็ปฏิบัติได้เลยการเขตว่าดีๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สร้างบุญบารมีกันมามีเจอที่ดีๆอย่างนี้นะทำให้เราได้มาแล้วตรงนี้มีพอร์ด้วยนะมีเอเนจี้ปฏิบัติแล้วได้อารมณ์ดีตอนเช้านี้นางลีลาวดีมาคุยให้ฟัง <c oughs> เขาบอกเขานั่งข้างหน้ากันชอบก็ เ, เห็นผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างหน้าเหมือนนันนะสักพักเขาไปยืนที่ประตูลูกไปทําร้ายพิจิเขาหายไปแวบเลยเหมือนนั้นบ้านนี้เทวดาเยอะเลยเหมือนนั้นคนไหนใจใส่ก่อนคนนั้นเห็นก่อนนะ่มิตินอกนอกมิตินี่นะมันก็มีนะแต่เราไม่พูดถึงวันวนั้นเองนะแต่ใครใจใสก่อนคนนั้นเห็นก่อนนะั่นแหละแต่ไม่ปรารถนามันเห็นเองนะ อย่างไอรียบร้จิตมันใสดีเนาะมันชื่อๆแล้วอีอย่างมันไม่ต้องมาวุ่นหัวก็เราฟังหลวงพ่อใช่ไหมเออฟังไม่รู้เรื่องเพ่าะว่านั่งฟังว่า <c oughs> อ่เพราะนั้นก็เลยนะสิ่งเนี้ยสนุกเพราะนั้นช่วงเย็นวันนี้จะหมดเวลาน้มีเวลาให้ไปนอนสิบนาทีก็ออนวัฒนาสาธุที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตก็ขอให้นำไปพินิษพิจารณาสิ่งไหนคน เชื่อสิ่งนั้นไม่คนเชื่อสิ่งน้นคนเอาไม่คนเอาก็อยู่ในดุลพินิษของเราผู้ฟังถ้าหากว่าเลือกสรรเอาสิ่งที่ดีก็จะเป็นสติปัญญาสามารถเจาะแทงทะลุในสัจธรรมคำสอนของพระสมมาสามพุทธิชาด้วยกันทุกคนทุกท่านถืน